ทำไมพระโสดาบันไม่เข้าพระนิพพานทันทีผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันมีบารมีที่จะสำเร็จอรหันได้ทุกองค์แต่ที่เข้าพระนิพพานไม่ได้มันค้องอยู่อย่างหนึ่งการตั้งปณิธานปรารถนาว่าจะเป็นอะไรเช่นอย่างพระนางสิริมหามายาปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าครบห้าพระองค์ ก็ต้องรอเป็นแม่ของพระสีอานนาวิสาขาหรืออนาถบินทิกะคฤเรห บ, บดีก็ปรารถนาเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าครบห้าพระองค์ต้องรออุปถากพระสีอานและจึงจะสำเร็จพระนิพพานองค์อื่นๆที่ไม่สำเร็จก็เช่นเดียวกันท่านมีปณิธานความปรารถนาร่วมกับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาไว้ว่าจะต้องร่วมกันไปถึงโน่นถึงนี่อะไรทานองเนี้ย ท่านเหล่านี้คือพระนางสิริมหามายานางวิสาขาอนาถบินทิกะคฤหบดีได้พระโสดาบันมาตั้งแต่เป็นแม่หรืออุปถาของพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทรากับนี้ที่ว่านางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบเนี่ยมันไม่ใช่สำเร็จอายุเจ็ดขวบในชาตินี้พบนี้ผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันจะรู้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันได้อย่างแท้จริงต้องอายุครบเจ็ดขวบ สมัยก่อนทำไมในเมืองไทยเราเนี่ยพอเด็กอายุครบเจ็ดขวบเกณฑ์ให้เข้าโรงเรียนก็าอาศัยหลักนี้มาปัจจุบันนี้พอมันเดินได้พูดได้ส่งเข้าโรงเรียนแล้วท่านว่าพระโสดาบันถึงกระแสพระนิพพานและก็รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรด้วยพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงตรงต่อพระนิพพานและพระโสดาบันจะไม่ทาผิดศีลห้า พระโสดาบันโกรธเป็นแต่ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตพระโสดาบันโลภเป็นแต่ไม่อิจฉาตาร้อนใครหลวงพ่อมาตีความหมายของคําว่าโสตาปันณนะโสตะแปลว่าการฟังปันณะแปลว่าถึงถ้าแปลตามศัพท์แปลโดยพยัญชนะผู้ถึงซึ่งการฟังแต่แปลโดยอัตถแปลว่าผู้ฟังได้ ใครพูด ด, ด, พ ด, ดีฉันฟังได้พูดผิดฉันฟังได้พูดถูกฉันฟังได้ฉันจะไม่ขัดคอใครแต่ว่าอะไรผิดถูกอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ฉันจะพิจารณาโดยปัญญาของฉันฉันจะไม่ยอมเถียงใครอันเนี้ยมันได้ในตัวสักยทิฏฐิแปลว่าความเห็นเข้าข้างตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าตัวถูกหมดใครจะว่าอย่างไร ถ้ามันไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวเองผิดหมดนี่พระโสดาบันเรื่องอย่างนี้จะไม่มีพระโสดาบันเอกพีชีเกิดชาติหนึ่งเกิดสมชาติเกิดเจชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะภูมิจิตที่ละเอียดหรือไม่ละเอียดต่างกัน